ทานาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดถึงปฐมราชสูตรในทิกะดิบาทอังคุตรรณนกายเป็นประสูตรประเภทที่เกิดขึ้นโดยอัจาริยะใสของพระพุทธเจ้าคือมีพระประสงค์จะแสดงเรื่องนั้นเอง แนวการเกิดของพระสูตรอที่เคยบอกไว้ว่ามันจะเกิดมาจากเหตุสีประการเกิดอัตยาศัยของพระพุทธเจ้าอัตยาศัยของผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นหรือว่ามีคนมาถามปัญหาพระเจ้าก็จะสรงแสดงในเรื่องนั้นๆข้อดีหน่าสังเกตก็คือถ้าหากว่า เกี่ยวกับพวกเรื่องสวรรค์นรกภพภูมิเรื่องสัตว์ตาว่าที่อยู่ของสัตว์เรื่องวิญญาณทิติที่ตั้งของวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยด้วยตาสามัญจะเกิดขึ้นในอัธยาิยสัยของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักหรือคนที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านั้นได้มาพูดขึ้น ปทมาราชสูตรก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นตำนองเล่าคล้ายๆกับเรื่องพชั ก, กสูตรรับสั่งเล่าว่าภิสูตทั้งหลายในวันขึ้นแปดค่ำแรมแปดค่ำบริวารของเท้าจตุมาราชทั้งสี่ก็จะเที่ยวไปในโลก ก็ตรวจสอบดูว่ามีใครที่อุปถากบํบำรุงมารดาบิดาประพฤติอดอ น, น้อมต่อผู้เจริญสนุบำรุงสมณาชีพรามรักษาบัวสดศีนเป็นต้น น, นะครับก่อนถึงวันสิบสี่ขัขึ้น1ิบสี่ขัแมแล้วสสี่ขั พวกบุตรของท้าวจตุมาราชก็จะเที่ยวตรวจสอบในลักษณะอย่างเดียวกันวันขึ้นสิาคข้ามแรงสิาคขับพวกท้าวจตุมาราชทั้งสี่ก็จะไปตรวจสอบหรือแสดงว่าพุะเทวดามีการตรวจสอบพฤติกรรมของมนุษย์ก็เดือนหนึ่งเท่าไหรหกครั้ง ดังข้งขึ้นข้างแรบแล้วแต่ละคนเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะจดจารึกเอาไว้มัก็พบในที่นี้เองนะฮะว่าที่จารึกิดแผ่นทองที่ไปปรากฏอยู่ในใน่ภูมิพรร่วมงพระท่านเหล่านั้นก็จะจดจารึกชื่อคนที่มีคุณธรรมดังกล่าวไว้บนแผ่นทอง แต่ไม่ได้จดไ ม, ไม่ได้มีหน้าจดไม่ได้มีหน้าที่จดลงบนแผ่นุนักนะฮะเป็นเรื่องของเทวดาหรืจดเฉพาะคนที่ทําความดีแล้วก็นําเรื่องเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยไปสู่เทวสมาคมก็รายงานให้ที่ประชุมของเทวดาทั้งหลายทราบพอตาตัวเลขคนประพฤติดีดังกล่าวสูงขึ้นองคเทวดาก็จะชื่นชมยินดี ว่าทิพยะโลกจะเต็มไปด้วยเทพประวุฒเทพธิดาทั้งหลายแต่พอตัวเลขมันลดลงทั้งก็โหดถูดท่างก็เศร้าใจว่าทิพยะโลกจะว่างจากเทพประุตรเทพธิดาตัดโลกทั้งหลายก็จะประสบความทุกข์แออาจจะเยียดอยู่ในอับบายก็จะปรุงสังเวชสลดใจ ในความประมาทของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วนี่ยันที่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องพุทธวิสัยเป็นเรื่องอัธยาศัยของพระพุทธเจ้ากับเรื่องอุเทวดาแต่เรื่องที่น่าศึกษาคือเกี่ยวพันกับชีวิตของเราก็คือเรื่องการตรวจสอบธรรมปฏิบัติที่มีในหมู่มนุษย์ ในจุดนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าที่เกี่ยวกับเท่าสกะเทวราชเนี่ยพวกนี้ทำงานตามคาสั่งของเท่าสกเทวราชเรื่องการดิ้งดูมานดาปิดานนี่ขึ้นหนึ่งทุงทีคืออยู่ที่หัวแถวทุีมันก็ทำให้เรามองย้อนกลับไปที่วัดปฏิบัติที่ทำให้ท่านได้เป็นเท่าสกะเทวราช ที่เคยพูดเรื่องนานมาแล้วนะฮะเรื่องมรรคมานกเนี่ยมันขึ้นต้นโดยมาตาเปติพรังชนตุงกุเลเชต ธ, ธาปะจายินังมาตาเปติพรังชนตุงก็คือเลี้ยงดูมารดาบิดดาประถากบํารุงมารดาบิด า, า, ก, ด า, ดากุเลเชต ธ, ธาปะจายินังก็คือการพึ่งตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในสกูลมันก็มาสอดรับกับตรงนี้ ว่ตรวจสอบคุณธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทาให้ท่านได้บังเกิดเป็นท้าวสากาศเทวราชมาการอุปถากบ์บรุงมันดาบิดาจึงปรากฏในคำพีพระพุทธศาสนาที่สำคัญสาคัญทุกเรื่องปรากฏในสัพพุริสปัญญาแม้จะมีองค์ธรรมเบียนสามข้อคือทานบนรรพชาแล้วก็ มาตาปิตุปทานเนย่องดูมันดาปิตาในมงคลระสรรแสดงถึงการอุปถาของรมันดาปิตาว่าเป็นอุดมมงคลในวัตบทเจประการที่ทําให้บุคคลเป็นเท้าสกาา่าเทวดาถ้อเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นเทวดาด้วยจิตน่มันก็ขึ้นต้นที่การเรี่ยงดูมันดาปิตา การอุปถากรุงมารดาบิดาจึงยกจ้องไว้ในที่สูงมากแล้วก็ถือว่าท่านเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นปราหันเป็นมิตรเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นอะไรหลายๆลายอย่างอย่างที่เคยประรบว่าเป็นเรื่องน่ากลัวในปัจจุบันคือข่าวคร า, าวที่เป็นไปในทางลบของพ่อแม่ได้นำมาเปิดเผยเยอะเหลือเกิน เช็นเมื่อคืนวันพฤหัสก็เอาเรื่องเด็กถูกทิ้งเจ็ดคนมาเผยแพร่กันจริงๆมันค่อนข้างเสียงคือเราต้องการจะพูดกับพ่อแม่เด็กแต่ก็เด็กก็ฟังอยู่ด้วยเด็กมีปัญหาในลักษณะเดียวกันมันก็อาจจะคิดไปในทางที่ขาดความสนุก ค, คุนของพ่อแม่ซึ่งมันเป็นปัญหาในด้านจินธรรมต่อไป ก็มีความเป็นดาบสองคมบอสมควรนะฮะการเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเผยแผ่แต่ในที่นี้ก็มีการตรวจสอบก็เรียกว่าตรวจสอบคนที่มีความกตัญญูกตเ ว, วชีต่อพ่อแม่อุตาความรุ่งพ่อแม่ตัวเองในฐานะที่เป็นพระหันของครอบครัวหรือของโลก การต่อไปต่อไปก็คือประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นการแสดงถึงคารวะธรรมเราจะพบว่าในมงคลสูตรวางไว้ระดับสูงนะฮะคาระวะเจนิวาโตจัรคือการมีความเคารพการประพฤติ อ, อ่ด น, น้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญแต่โดยปฏิบัติที่จริงแล้ว ทุกวัยนะฮะไม่ได้เจ้าจงวัยใดวัหนึ่งเพราะเป็นการปฏิบัติที่ลดละมานะหรือความกระด้างที่มีอยู่ภายในใจความถือตัวถือตนเป็นสังโยชน์ลึกสังโยชน์ที่เรียกว่าพระอรหันต์ละได้นะฮะพระอื่นละไม่ได้การปฏิบัติก็มุ่งที่จะลดพวกเหล่านี้ การตนุบำรุงสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบั ต, บติสมควรก็แสดงให้เห็นว่ากระทาสิ่งที่เป็นมงคลคือบูชาผู้ที่ควรบูชาแล้วพอท่านเหล่านั้นเมื่อท่านปฏิบัติดังกล่าวก็ชือว่าเป็นที่ตั้งแห่งบุญ เป็นบุ ญ, ญเยเกษตที่อำนวยะโยชส์สุขให้แก่บุคคลเหล่านั้นแต่ประเด็นที่ท่านต้องการจะเน้นมากเนี่ยรู้สึกจะเน้นที่อุโบสถอธิบายในตอนหลังนี่จะเน้นที่อุโบสถอุโบสถการแนวการรักษาอุโบสถเป็นก็ปฏิบัติประเภทที่เราเรียกว่าปฏิรูปเพราะอะไรเพราะเรามองย้อนย้อนอดีตคือก่อนพระพุทธเจ้า มันมีการรักษาโอบสุดแล้วมีประวัติต่างๆในชาดกมากมายต่างๆว่ามีการรักษาโอบสุดผู้เจ้าเพียงแต่นำมาปรับปรุงเพื่อสอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฟังแล้วก็เพิ่มปริมาณช่วงค่วงเวลาในการรักษาให้สูงขึ้น เราจึงได้ยินคำอุโบสถีนหลายคำคำหนึ่งก็คืออุโบสถธรรมดาอุโบสถแปลว่าการเข้าอยู่ไม่ใช่อาคา ร, ระฐานที่นะฮะที่จริงเป็นหลักการปฏิบัติต่อมาก็กลายเป็นที่อยู่ที่เราเรียกว่าอุโบสถแต่ที่จริงแล้วเป็นการเข้าอยู่เป็นการกําหนดใจจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเป็นการขัดเกลาจิต กำหนดเกณหลักก็คือเรื่องของศีลที่เรียกว่าอุโบสถใศีลือศีนแปดเป็นการปฏิบัติพรหมจรรย์พวกนี้เรียกว่าพรหมจรรย์หมายความว่าการใช้ชีวิตประเสริฐที่ยกจิตขึ้นเหนืออำนาจของกิเลสอย่างน้อยก็ระดับหยาบๆก็เป็นการฝึกต่อสู้กับกิเลส ที่จริงโดยหลักของการปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่ามุ่งลดพวกกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะในเป็นหลักเรื่องศีลนะนะเรื่องศีลเนี่ยลดราคาโลภะในเป็นหลักคือถ้าเรามองให้ประสานจะเห็นการประสานเวลาเรียงทรงเรียงวโรปโกรดหลงด้วยราคะโทสะโมหะ เรียงฝ่ากิเลส ท, ที่เราต้องลดนะฮะแล้วก็เรียงธรรมะที่เราจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการลดกิเลสก็เป็นศีลสมาธิปัญญาและฐานศีลภาวนามันแก้กันตรงๆแก้กันตรงๆหมายความว่าศีลก็แก้ที่โลกเป็นหลักสมาธิก็แก้ที่โทสะเป็นหลักปัญญาก็แก้ที่ปัญญาที่ที่ทโมหะหรืออวิชชาในีเป็นหลักฐานศีลภาวนาก็แนวเดียวกัน อุโบสถต็ศีลมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ในการรักษาอยู่สี่สามสี่วิธีด้วยกันนี่นะครับแต่เมืองไทยเราที่จริงรู้สึกว่ารักษาวิธีเดียววันหนึ่งก็คือหนึ่งณนะเวลาวันนี้ที่ว่าเนี่ยที่จริงไม่ค่อยได้วันเท่าไหร่ไม่ได้ยี่บสีชมมม่ชั่วโมงหรือการสังเกตเวลาเราให้ศีลอุโบสถเสร็จเนี่ย ม, มันประมาณสัก ตักตีก้กากว่าก็สรุปว่ามันก็เวลามันก็หายไปสามชั่วโมงอาศัาจริงๆก็ยี่็ดชั่วโมงเบนี้ถ้าสว่างเร็วก็อาจจะไม่ถึงยนะี่สิบอ็ดตรงนี้เ็าเรียกว่าอุโบโสถเฉยๆแต่มันก็มีก็เรียกว่า ปาริหาริยาอุโบสถเรียกว่าปาริหาริยาปะมันเป็นรักษารักษาเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเชนจากวันแรมสิบเอ็ดค่าเดือนสิบไดใหญ่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดไปถึงแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบสองคือเดือนหนึ่งเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงก็แล้วแต่จะตัดช่วงตรงไหนนะ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในช่วงพรรษาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกอาจจะเป็นฤดูฝนที่มีการงานต้องทำน้อยมันไม่สะดวกในสังคมกเกษตรกรรมเนี่ยไม่สะดวกในการทำงานมันเป็นพุ่งไเวลาเวลาที่เน้นในการทำความดีเราจะเห็นพระก็มาเข้มงวดกันที่ที่ที่พรรษาญาโยมเองก็มาเข้มงวดกันที่พรรษา ก็แล้วแต่จะตัดเป็นห่วงยังไงแต่หมายความมาเป็นห่วงเป็นห่วงอาจจะเจ็ดวันอาจจะสิบห้าวันเรียกว่าปักคืออย่างน้อยก็สักปักหนึก็เรียกว่าปริหารรยะปักแล้วก็ต่อไปก็ไม่ต้องรักษาแล้วจะข้ามไปอีก อความรักษาบ้างเว้นบ้างก็เรียกว่าปริหารยบปะ อ, อย่างหนึ่งก็เรียกว่าปฏิชาการะปฏิชาการละโอบสถสมมติว่าเราต้องการด้รักษาอโบสดุดวันเจดค่ำนะคือคือ ท, ท, ที่ที่จริงไม่ได้กําหนดวันน่นะไม่กาหนดวันว่าจะเป็นวันใดวันหนึง่งมันต้องเริ่มรักษาโอบสถตั้งแต่วันหค่ำไปวันเจ็ดค่ำ วันแปดค่าก็ส่งอุบสถดมาความสามวันเราจะนับหนึ่งตรงไหนก็ตามแต่ว่าก่อนวันที่เรารักษานี่ให้รักษาก่อนวันนัน้นนานนั้นวันแล้วก็ส่งหลังวันหนึ่งก็รวมแล้วก็สามวันเราเรียกอุปฏิชาคระอุบสถดนี้มีอุบสถดประเภทหนึ่งเรียกว่านิพทถนาอุบสถดเป็นการอธิษฐานใจรักษาเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเะดือนนะฮะ ไม่ไม่จะเป็นเดือนอ่ะเป็นพรรษาหมายความอาธิษฐานพร้อมกับพระออกพร้อมกับพระเลยอันนี้เอาจิงมากก็ทำให้เราเห็นว่าแนวการรักษาเนี่ยท่านดังมีทั้งสามสี่แนวแต่ว่าอีกสามอย่างเราไม่ค่อยออกมาพูดอ่ะพะโยมไม่ค่อยรักษาแต่า ก, การสังเกต ต, ตอนให้ศีลที่พระโบสถ์หลวงพระ พอถึงวิกาลโพรลราเสียงหายไปตั้งสามในสี่สามในสี่เลยหายไปเลยก็นั้นเป็นอุบายอยูิธีท่านเห็นว่าทั้งทั้งหมดที่จริงมันเป็นอุบายนะคือถ้าเรามองเป็นเป็นเนื้อหาในการปฏิบัติแล้วเนี่ยที่จริงมันไม่รุงรังอะไรหรอกมันไม่ได้มากเมือกอะไรก็เป็น เป็นกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นแต่มองเห็นคุณเห็นโทษพวกนี้ต้องมองเห็นคุณเห็นโทษนะฮะเพราะเป็นเรื่องมดเว้นสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณบนพื้นฐานมันก็มองเห็นคุณเห็นโทษซึ่งมีความต่อเนื่องหมายความว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่จะเกิดขึ้นเฉพาะขณะนั้นๆแต่เป็นผลที่ต่อเนื่อง เพราะอะไเพราะในในแง่ของบารมีเป็นศีลบารมีก็เราต้องมองกลับไปตรงนั้นเราเป็นศีลบารมีปุริทัตโพธิสัตว์เองรักษาศีลนุโบสถเป็นศีลบารมีในศีลจึงทรงแสดงผลไว้ทั้งสามระดับทายศีลนะฮะลองสังเกตละทายศีลเนี่ยศีเลนสุกติยันติศีเลนะโพกสัมปทาศีเลนะนิพุติยันติแสดงไว้สามระดับ หลาความมาสมบูรณ์โดยพวกกัสมบัติเป็นอิทธผลที่เรามุ่งหวังในปัจจุบันทรัพย์สมบัติของผู้มีสีนที่ได้มาโดยความมีสีนเนี่ยมันไม่พิบัติก็เรียกว่าลักษณะที่ตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้มันไม่พิบัติไปได้ง่ายๆไม่ได้เหมือนกับของที่ซ่อกงคอรับสั่นมาค้าขวินเข้าเกิดในไจพวกนี้จะพิบัติง่าย ก็ทำให้สมบูรณ์โดยพกสมบัติทีนี้คำว่าทรัพย์เนี่ยโดยความหมายจริงๆโดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยนะฮะท่านแปลว่าสิ่งที่นําความปลื้มใจมาให้ให้ลองสังเกตว่าของที่เราได้มาในทางที่ไม่ชอบทำราคาเท่าไรก็ตามมันไม่สบายใจเสียวหลังบุบบุ บ, บ, บไปไหนมันก็เสียวมไม่สงบใจมันไม่สงบ เพตรงตรงนี้เป็นผลที่เราได้ในปัจจุบันทีเลนะโภกสัมปทานเนี่ยสมบูรณ์ในพวกกสมบัติในปัจจุบันก็เป็นทิฏฐธรรมะกระตัประโยชน์นะประโยชน์ที่เราได้ในปัจจุบันซึ่งต่านจะเห็นว่าในภาคปฏิบัติที่ทรงแสดงถึงหัวใจเศรษฐีสี่ประการมันเน้นที่สัมมาชีวะนะครับ เ น, นสมาธิวะในช่วงของการแสวงหาในช่วงบริโภคใช้สอยในช่วงของการซื้อหาเน้นในสมาธิวะสมาธิวะมันก็เป็นศีลเพราะวะน เ, เวลาท่านพูดมไม่จําเป็นจะต้องออกมาหมดเพราะว่าเวลาปฏิบัติมันมันกลืนไปเองกลืนไปเองโดยตัวอยตโนธมัดเองและศีเลนะสุกติิงยันติ บุคคลจะบังเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลอย่างในสาทุสูตรหรือในสกกิละสูตรในสังยุตยตินิยต่านเล่าถึงพวกเทวดาเจร้อยเมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแสดงกล่าวคาถาสรรเสริญเรื่องฐานกับเรื่องศีล ศีลในรูปการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนะับคือใช้คำเดียวสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสมาทานศีลช่วงสั้นๆคือพวกนี้เป็นพ่อค้าเดินทางไปในมหาสมุทรเดี๋วเกิดประสบพายุคลื่นลมแรงเรือกาลังจิจมก็ตื่นหนกตกใจกันมาก แต่ว่ามีคนคนหนึ่งเขานั่งเฉยๆนั่งสงบนิ่งๆเพื่อนก็สงสัยว่าทําไมจึงไม่ตื่นสนกแกบอกว่าแกก็ไม่ได้ไม่เห็นมันเรื่องอะไรน่ากลัวเพราะยังไงมันต้องตายอยู่แล้วแต่แกมั่นใจว่าแกตายไปแล้วนี่แกไม่เดือดร้อนเพราะว่าแกสมาทานศีลมา ก, ก่อนขึ้นเรือก็นั่งพยายามรักษาศีลไม่แม่นันอะไรจะสํารวมระวังในศีลนี่ดีคนนี้ก็ตกลงขอรับศีลด้วย ถ้าก็แบ่งคนเราเนี้ยไปมันมันมนเสียงคลื่นลมมันดังไงนะก็แบ่งเป็นชุดละร้อยชุดละร้อยชุดละร้อยให้รับศีลโดยลําดับน้ําก็ท่ว ม, มมาเรื่อยเรือก็จมไปเรื่อยก็รับศีลโดยลำดัชุดสุดท้ายในน้ําท่วมเกือบถึงปากแล้วนะครับรับศีลจบ ก, ก็ตายหมดไปก็แสดงรักรักษาศีลไม่เกินไม่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วมันตายอย่างผู้มีศีล แล้วก็บังเกิดในสุกติมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามากล่าสรรเสริญเรื่องของทานไว้หกอย่างแล้วก็ตอนพระพุทธเจ้าถูกพระเทวาทัตกลิ้งหินกระทบเนี่ยพวกนี้ก็มาเฝ้าเฝ้าอาราขาพระพุทธเจ้าอันนี้นจะเห็นว่าผลก็สีลมันก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ บ, บหรือว่าอย่างที่เคยเล่าเรื่อง คนชายก็ท่านนาถบินธิกเสิทธิที่รักษาบูสดกึ่งเดียวหมายความอธิษฐานบูสดตอนตอนเย็นหลังจากทํางานเลิกงานแล้วเนี่ยอธิษฐานบูสดก็แสดงไม่กินข้าวมื้อเดียวนั่นแหละมื้อนั้นแหะแต่ว่าทํางานมาตลอดวันตกดึกก็หิวเสียแทงแล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารอะไรแกบอกว่าแกรักษาศีลด้นิดหน่อยศีลก็ต้องบริสุทธิ์แล้วในสุดก็ตายไป ก็บังเกิดเป็นเทพประบุเป็นลูกเทวดาไปจำต้นไทรแล้วก็ช่วยพวกฤษีอะไรต่ออะไรได้เยอะอันนี้คือคือเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงผลที่เราได้รับในชาติต่อไปเป็นรูปของติดตามเป็นสมบัติที่ติดตามมันจึงเป็นอารียทรย์คือสีรัตนัง ศทาทนางสีลนันางหิริทนางโอตปะทนางนะฮะคือสับสับทั้งนั้นอนะฝึกไปว่าสับเป็นเป็นเป็นสมบัติติดตัวแล้วสีเลนนี่บุตริงยันติคือบุคคลจะบรรลุนิพพานก็เพราะสีหมายความว่าศีลเป็นหนึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่ทําให้บุคคลบรรลุนิพพานเพราะการบรรลุนิพพานต้องสมบูรณ์โดยสีสมาธิปัญญานะฮะ เ, เรียกเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นพวกบา ร, รมีทีนี้บา ร, รมีจะมากหรือน้อยให้ลองสังเกตพ ร, ระโพธิสัตว์บางชาติเนี่ยท่านรักษาศีลห้าบางชาติก็รักษาศีลแปดบางชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็ทั้งห้าทั้งแปดตอนบวชเป็นฤาษีก็รักษาศีลปดตอนนางก็รักษาศีลห้าถ้าเป็นพระภูริทั์ใกล้จะ บารมีเต็มกรัษาสีนุบสุทีิเรามองศีนุบสุทธิเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไระลุกซึ้งอะไรนะคือไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งปานาทิปตาเนี่ยคือเว้นจากการทําลายสัตว์อิดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ประจนสัตว์ทรกรรมสัตว์ จนถึงการคาสัตว์แต่ในการปฏิบัติตอนต้นเนี่ยท่านท่านเอาแค่ค่านะฮะเห็นว่าพูดแค่ปานาดิปาตาเวรมนีคือพูดแค่ค่าเพราะต่อจากนั้นมันเป็นศีลที่ประณีตขึ้นมันไม่ผิดศีลสำหรับชาวบ้านเรามันผิดศีลสำหรับพระ ก็เรียกเป็นศีลอีกระดับหนึ่งเป็นเรื่องชีวิตเหมือนกันแต่เป็นเงินศีลอีกระดับหนึ่งเช่นพระไปเลี้ยงปลาอะไรล่ะปลาตู้ปลาอะไรไม่ได้นะฮะเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ผิดวินัยตรงนั้นน่ยก็ถือว่าทรมานสัตว์เป็นการทรมานสัตว์กับขังนวงเหนียวสัตว์ขนาดที่จี้เอลกันยังไม่ได้เลยนะฮะปราบปรบ คือประทุษรายร่างกายเหมือนกันแต่ว่าศีลระดับระดับโบสถ์านาเอาแค่นั้นนะเอาเอาแค่ไม่ไปทําลายชีวิตแค่ไม่ทําลายชีวิตสัตว์คือว่าตัดในส่วนปานารเรียกว่าถ้าพูดถึงห้าส่วนมันก็ตัดเอามารักษาส่วนเดียวแต่นั้นเองพอมาถึงอาทินาก็ ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยนะมันไม่ใช่ว่าหยิบของผิดไปแล้วจะปรับขาดศีลไม่ใช่อย่างนั้นมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ตรงนี้ที่จริงแล้วเป็นอวหานาะทิตนาทานถ้าเป็นพระแล้วปรับนะแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องจงใจต้องเจตนาคือศีลเนี่ยต้องเจตนามันไม่ใช่วเราเราไม่เจตนาแล้วต้องผิดศีล ศีลต้องเจตนาต้องมีความจงใจมีความตั้งใจก็เรียกว่าสจิตระกะคือต้องจงใจจงใจรับจงใจรักษาจงใจละเมิดจงใจละเมิดด้วยต้องจงใจถ้าไม่จงใจไม่ตั้งใจเนี่ยเขาไม่ปรับเป็นเรื่องศีลนะฮพูดระดับศีลไม่ใช่ระดับสมาธิไม่ใช่ระดับธรรมะตัวนี้ก็เพียงแต่งดเว้นการ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยการแบ่งขบวนหรือหยิบไปหรือว่าหยิบด้วยความคุ้นเคยถือว่าเพื่อนไม่ว่าอะไรต่อมาเพื่อนเกิดไม่ยอมขึ้นมาเราก็คืนให้ก็ไม่ว่าอะไรเราไม่เจตนาจะลักของเขาสีนเราไม่เสียเราของคืนให้เขาก็จบตันนั้นก็เรียกว่าถือโดยวิสาสะคือถือโดยความคุ้นเคยกัน วิาสาสะนั้นเราอาจจะใช้ในกรณีที่เคยเห็นกันมาเคยพบกันมาได้พูดกันไวเจ้าของก็ยังไม่ตายนะฮะถือวิาสาสะของคนตายไม่ได้ยกถือแล้วถือเอาไปแล้วเขาพอใจถ้าเขาไม่พอใจเราก็คืนให้เราก็สำรองจ่ายก็จบคือมันไม่ใช่เอาละเมียดละไมามากมายก่ายกลกอง เป็นการตัดตอนเขาเรียกว่าศีลขนาดหยาบศีลหยาบมันไม่ใช่ศีลประนีตมันนิ่งๆประนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันค่อยๆค่อยๆประนีตขึ้นไปเรื่อยๆมันสร้างอัธยาศัยสร้างจิตใจให้มีความละเมียดระใหม่ซึ่งบางครั้งนี่เราเราไม่ได้คิดนะฮะว่าตรงนี้ที่จริงไม่ถูก ให้ท่านลองสังเกตว่าประวัติศาสตร์พระพุทธศา ส, สนาไม่ว่าพระพุทธเจา้าหรือพระสาวกทั้งหลายเราไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำลายอะไรเลยทำลายวัตถุสิ่งของทำลายโรงบูชาไฟทำลายโรงบูชายันเราไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยแตะไม่เคยพูดถึงเพราะอะไรเพราะว่า พูดให้เขาทำลายก็ไม่ได้มันเป็นการทำลายทรัพย์สินคนอื่นเป็นอาชินนาทานในข้อที่ผลานก็เรียกว่ามันผลานและถ้าทำเองก็ทั้งผลานทั้งทำเองนะฮะคือสีนี่ก็เรียกาสาหัติกะอนานาติกะสาหติกะคือทำเองอนานาติกะคือใช้คนอื่นทำผิดทั้งนั้นนะฮะผิดทั้งสองระดับเพราะอะไรเพราะว่า สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนี่เป็นทรัพย์เช่นสมมุติว่าเราจะตอบต้านเรื่องอะไรล่ะสมมติว่าตอบตอบต้านเรื่องสารประภูมินะฮะเราก็บอกให้ทุบทําลายสารประภูมินั้นพูดไม่ได้นะมันเป็นทรัพย์สินของเขาไปใช้เขาทำลายทรัพย์สินทรัพย์สินมันมีค่ามีค่าในตัวของมันเมื่อถูกทําลายในค่ามันก็เสื่อมไปเราก็เป็นอาบัติแต่นั่นเป็นการพูดระดับพระไม่ใช่พูดระดับโยมพูดระดับพระเป็นศีลที่ประณีต หมายความไม่ใช่คนอื่นทำถ้าชาวบ้านเขาไม่เรียกว่าศีลเขาเรียกกุศลกรรมบุก็เรียกยกุศลรกรรมบทมันประณีตขึ้นอีกชั้นหนึงเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นศีลหมายความว่าจิตใจละเอียดขึ้นไปอีกระดับนึงซึ่งแน่นอนเราก็เดินขึ้นไปตรงนั้นแ ต, ต่ตรงนี้ก็ไม่ไม่จะเป็นจะต้องถึงตรงนั้นก่อนก็ถือว่าเป็นศีลแล้วข้อที่สามเปลี่ยนจากกามีเป็นอภรรม กาเมในที่นี้เน้นเรื่องเพศอย่างเดียวนะฮะไ ม, ไม่ไม่ได้พูดเรื่องอื่นไม่ใช่รอกของรักของห่วงของอะไรอะไรแต่ของรักของหวงมันเป็นทรัพย์ในชั้นศีลเขาเรียกว่าทรัพยเขาไม่เรียกวัตถุกรรมอย่างนั้นนะนะฮะศีลเนี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์ไปเลยเขาไม่เรียกว่าวัตถุ ก, ก, กนนะะรรมคาว่ า, ารกรร ม, มในที่นี้หมายถึงเรื่องเพศหรือความสัมพันธ์ทางเพศมันก็ต่างไปหน่อยหนึ่งที่ว่า การเสุมิชาจารย์นั้นมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ว่าอย่าไปนอกใจกันไลยกันอย่าไปผิดในทางประเวณีคือเรื่องชู้สาวนะฮะอย่ามีปัญหาเรื่องชู้สาวแต่พรพรานนั้นเป็นการไม่มีเพศสัมพันธ์ทุกระดับแต่ว่าเป็นศีลเขาเรียกว่าอาคาริยวินัย เป็นศีลของชาวบ้านเป็นศีลผู้ครองเรือนชื่ออภรณมเหมือนกันแต่ว่าอจับต้องกันได้นะจับต้องกันได้ไ ม, ไม่ได้มีปัญหาไดมีลูกมีหลานก็จับต้องกันได้เพียงแต่ว่ามีเพศสัมพันไม่ได้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เคร่งเยนว่าลูกหลานก็จับต้องไม่ได้นี่มากไป น, นะตรงอันนี้ต้องเข้าวัดแล้วต้องบวชแล้ว ชาวบ้านก็เรียกอาคารระยะวินัยวินัยผู้ครองเรือนก็อุ้มลูกอุมหลานก็ได้นะผู้หญิงอุ้มอุ้มลูกหลานผู้ชายก็ได้ผู้ชายอุ้มลูกหลานผู้หญิงก็ได้มันแปลกอะไรเขาห้ามเฉพาะเรื่องเพศสําคัญแต่ถ้าศีลเป็นอนาคาริยะวินัยเขาห้ามนะอนาคาริยะวินัยห้ามพิษสุนีก็ห้ามนางสิขา ม, มานาเนี่ยนางสิขา ม, มานาเนี่ยศีลหกตอ น, นั้นเองห้าม สิกขามนาก็ที่จริงศีนท่านน้อยกว่าสามเนรีนะฮะสามเนรีมีศีนสิแต่ศีนคนนี้ห้ามมันเป็นอาพลัมที่ข้อที่สามแต่ว่าท่านเป็นนักบวชนางสิกขามนาก็คือผู้หญิงอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สบนะฮะสิบแปดก้าี่สิบก็สองปีก่อนที่จะครบบวชเป็นภิกษุณีเขาเรียกนางสิกัามานารักษาศีนหกข้อจากข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกแต่ว่าเป็นศีลนักบวชศีนท่านน้อยกว่าอุบาสกนะอุบาสกแปด เี็นฮะศีลโวสดมันมีแปดแต่ของท่านมีหกแต่ของท่านนี่จับต้องกายไม่ได้จับต้องกายผู้ชายไม่ได้ผิดขาดจากนางสิ ก, กามามนาเลยแรงมากเ็นศีลแรงมากเพราะว่าเปนศีลนักบวชตัว น, นี้ก็เน้นตัว น, นั้นเน้นเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นเอง แล้วข้อต่อไปก็คือมุสาวาทมันก็เหมือนกับสีล้าระดับสีห้พอถึงมุสาวาทเราจะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนเฉพาะข้อที่สามเปลี่ยนเฉพาะข้อที่สามแต่นเองเข้มขึ้นในข้อที่สามจะถามมันทำไมเข้มขึ้นมันไม่ลักษณะการเข้าอยู่ประจำเป็นการอยู่ประจำถ้าหากว่าไม่รักษาสีมาถึงระดับนี้มีปัญหา แล้วจะยุงมากแล้วจะสับสนจะจะแยกอะไรไม่เคยออกเลยเพราะฉะนั้นศีลไม่ต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้เจนวัดต่างๆวัดใหญ่ๆยังเคยคุยกับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมกายนะเขาเล่าฟังว่าที่นั้นคนต้องรักษาศีลแปดเพราะกลัวปัญหาต่างๆแต่ไม่รักษาศีลศีลแปดไว้มันก็ มันก็อาจจะสามีบัญญาก็ไปอยู่กันในวัดไปทํางานกันในวัดไปก็ยุ่งๆก็เลยก็รักษาสิ่งแปดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแต่โหดมันจะเกิดมันก็เกิดนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเกิดน้อยก็ต่อไปก็คือมุสาวาตมันก็เน้นที่ตัวมุสาวาตเนี่ยเป็นหลักแต่ท่านท่านท่านทั้งหลายหลองสังเกตว่าตรงนี้จะไม่ขยายแบบ แบบกูสนกำบนดจะพูดคำว่ามุสาวาทคำเดียวแต่พอเรามองไปถึงการพูดสอเสียดการพูดคำหยาบการเพ้อเจอ้อเหลวไหลในนันให้เราสังเกตคำพูดลักษณะนั้นเท็์ทั้งนั้นเนี่ยเตซทั้งนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเราสำรวมไม่เท็์เนี่ยมันจะไม่สอเสียดไม่หยาบไปเหลาไหลไปอีกโดยอัตโนมัติ คำหยาบคำด่าทั้งหลายนี้เทสต์ตรงนั้นเนี่ยลองลองดูไม่จริงจริงตังเรื่องเนี่ยคำดา่าคำหยาบคำเพ้อเจอ้อคำสอดเสียดยุโยงให้เกิดความแตกแยกมันก็ต้องเท็จนะ ต, ต้องเท็ต ต, ต้องเติมใ ส, ส่สีอะไรอะไรกันไปอีกเยอะคนจึงจะเกิดการทะเลาะ ก, กันเป็นวิธีที่แฝงไว้หมายความมาไม่คนรู้สึกตัวเลขมันมาก เพราะเป็นเรื่องศีลมันไม่ใช่เรื่องธรรมะก็เอาตรงนี้รักษาศีลมุสาวาทคำว่ามุสาวาทก็คืองดเว้นงดเ้นจะมุสาวาทมันไม่ใช่ประนีตมากนะฮะเพียงแต่ว่าพูดไปตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไงก็พูดไปอย่างนั้นตรงนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้ จนนิทานเพื่อเจอนิทานตลกแบบสีสนนทนนทชัยเราก็เล่าได้เราไม่เพเื่อเจริลบเพราะมนิทานมันว่าอย่างเงี้ยน่ะเห็นไหมว่ามันไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรหนักหนาฮสมมติว่าคนไปเล่นการพนันกันอยู่สิบคนเราเห็นเพียงเจ็ดคนนั่นเองเราบอกเจ็คนนั้นน่ะมันไมเ่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเรารับผิดชอบตามประสาสัมผัสเราเราไม่รับผิดชอบในรายละเอียด ไม่ใช่ต้องไปรู้ไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยเราไม่ใช่นักสืบนี่เราเป็นการรายงานประสาทสัมผัสของเราเท่า น, นั้นประสาสีนี่นะที่เขาเล่าที่เขาเล่าว่ามีผู้ร้ายวิ่งหนีไปหน้าพระปลายพระก็ไขยับไปยืนอยู่ที่หนึ่งไอ้ตำรวจมันถามถามว่าพระคุณเจ้ายืนอยู่ตรงนี้เห็นผู้ร้ายวิ่งมาทางนี้มั้งหรือเปล่าท่านบอกไม่เหน็นมายืนตรงนี้ไม่เห็น ปัะด็นนี้ตอนยืนีนแข่งหนึ่งก็ไปถามอย่างนั้นก็ตอบอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สีตะนนชัยหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วแกถามเนี่ยถ้าถามเห็นเฉยเฉยมันก็ตอบได้แต่ทีนี้ถามว่าพระคุณเจ้ายืนตรงนี้เห็นผู้ร้ายวิ่งหนีมาทางนี้บ้างหรือเปล่าก็แกไม่ได้เห็นตอนยืนตรงนั้นเนี่ยเห็นยืยืนในแข่งหนึ่งอ่ะแกบอกอาตมายืนตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นตอนยืนตรงนี้แต่เห็นตอนยืนตรงอื่นมันก็ไม่ได้เทศอะไร ก็แก okay, ถามที่ยืนนะฮะเราจะเห็นว่าถามกาลเทศะอันนี้ถามเทศะที่เรานั่งที่เรายืนที่เราเดินอยู่มันก็เหมือนกับเราบอกอุณภูมิว่าว่าตอนนี้วัดวัดวร ว, วลานี้เวลาเท่านั้นตึกสอว อ, อุณภูมิเท่านั้นเท่านั้นเวลามันผ่านไปอีกยี่สิบนาทีอุณภูมิลดลดลดเลยเราพูดเวลาโน้นนะเราไม่พูดเวลานี้แตเ่เรารับผิดชอบเท่านั้นเท่านั้นเองนะ ไม่ใช่เรื่องละเมียดละไมเป็นเรื่องงานวิเคราะห์วิจัยไม่ใช่ตรงรับผิดชอบลึกซึ้งขนาดนั้นเป็นการรายงานตามประสาทสัมผัสไม่พูดให้เกินจริงหรือไม่พูดให้น้อยลูกก็ เ, เรียกว่าไม่อําความไม่เสริมความไม่เสริมความคือขยายเรื่องใหญ่เรื่องเล็ ก, กเป็นเรื่องใหญ่ตามปกติเวลาเราพูดถึงความดีของเราของคนที่เรารักเนี่ยเรื่องน้อยจะพูดมากแต่พูดความดีของคนอื่นที่เราไม่ชอบเรื่องเรื่องมากกลายเป็นเรื่องน้อย อันนี้อดเทศไม่ได้แต่พอพูดถึงความไม่ดีของเราของพวกเราเรื่องมากกลายเป็นเรื่องน้อยของพอพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องมากแสดงว่าขยายเรวยมีการเสริมความมีการอำความด้วยอารมณ์คือไม่ได้ใช้ภาษาสัมผัสแต่ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ของเราเองตามความรู้สึกชอบชังแล้วก็คือผิดศีล ก็พูดตามได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ทราบไม่ได้รู้ก็ปฏิเสธไปแต่เพียงแต่ว่าอย่าเสริมความอย่าอำความอำความก็คือพูดเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเสริมความคือพูดเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เตีเ๋ยวคงวนหักสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดบางทีชาวบ้านเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าคนคนพูดไม่ได้มองถึงเงื่อนไขตรงอื่น คือศีลธรรมในพระเจ้าทรงบัญญัติในรูปที่สร้างจิตสํานึกไม่ได้หมายความว่าชาวพุทธจะต้องรักษาศีลอย่างนั้นอย่างนี้เราไปกระเกณอย่างนั้นไม่ได้เรากระเกณฑได้เฉพาะคนที่บวชแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ไปกระเกณเพราะชาวบ้านเขามีเงื่อนไขมีอาชีพมีสถานะของเขาบางอย่างเนี่ยเขาทาไม่ได้ตรงนั้นก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ทํำตรงอื่นทำเท่าที่ทําได้เราจะเห็นว่า ชาวบ้านนั้นจึงมีแนวของการสอนไม่ใช่มีแนวบัญญัติไม่ใช่มีแนวสั่งแนวสอนที่แจ้งอย่างนั้นอย่างเนี้ยคนดีในโลกนี้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราต้องการเป็นคนดีก็ทำมาไม่ต้องการเป็นคนดีก็แล้วไปก็ไป็นว่าอนะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมแต่ว่าถ้าสมัครใจมาบวชนี่ไม่ได้นะฮะบวชนี้ต้องเอาอล้วกดเกณฑ์เพราะว่ามันมันบีบคนนิดเดียวฮะกลุ่มคนนิดเดียวมันทำได้ แต่ว่าทําหมดเลยมไม่ได้ทาหมดไม่ได้อย่างที่เคยเล่าใฟังนี่อาจารย์ปริญญาโทนะฮะลาออกจากมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งไปเจริญกรรมฐ า, านแถวชัยนาทมาล่ามาฟังทิุติบอกหลวงพ่อที่วัดบอกว่าจะให้โลกบ้านเมืองนี่สงบนี่ทำได้ง่ายมากถามมาทำยังไงเอามาเจริญจิตภาวนาบเพ็ญสมาธิให้หมดโลกมันก็สงบบอกว่าใช่มันตายหมดพอดีอะ คือมันพูดแต่เ ง, งนได้ที่ไหนลงคนมานั่งสมาธิกันได้หมดยังไงแล้วใครทาํานาทําสวนใครค้าขายใครทำอะไรคนมันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เพราะฉนั้คนจำนวนเล็กๆจำน้นเองยังมาทําได้นะแล้วก็ใช้เวลาระยะสั้นๆมันไม่ใช่มาทํากันได้หมดไม่ใช่มาทํากันได้หมดดังนั้นการมองปัญหารเราเห็นว่าบางทีนี่พระมองพวกครูมองพวกหมอมองอเนี่ยมองเกินไปมองเกินสภาพความเป็นจริงของสังคม พระพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามท่านไม่บัญญัติต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มีเลยในศาสนาพุทธนี่ไม่มีเลยงงห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้อยาอย่างนั้นยาอย่างนี้ไม่มีไม่มีกรรมเ่านี้เป็นการแสดงคือชี้แจงให้เขาศึกษาให้เขาพิจารณาเองเ ว, เวันนี้ขวรเบนควรประพฤติก็ชี้ทางมันรดาทุกข์ชี่สุส่เกษมสารให้แต่ว่าโยมจะทําหรือไม่ทํามันเรื่องของโยมอ่ะเขาก็รับผิดชอบผลเขาเองก็แสดงเรื่องของกรรมเอาไว้ พูดจนถึงกับ น, น้าชากาแฟกินไม่ได้นะฮะศีลปานาธิบาตเนี่ยพวกนักศึกษามหาวิทยาลัยเขาวิจัยเกสงเคราะห์มหมดเลยผิดศีลหมดเลยคนในโลกบอกก็ตายหมดพอดีรักษาศีลตามที่คุณว่าในคนก็ตายหมดอนะ่ะคือมันไม่ได้คิดตรงอื่นไม่ได้คิดตรงอื่นต่อไปก็ไปในที่หนึ่งก็ที่วัดโสมเนี่ยนะ ครูบาอาจารย์เานั่งพูดอยู่ข้างหลังอัตมาเนี่ยโจมตีเรื่องเออพวงรีพวงเลิศอะ ไ, ไรพิจีตรุ่งดังอะไรต่างตินเปลืองเงินทองเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยเด็กยากจนจะดีกว่าสมมติว่ามีเงินเหล่านั้นเองอ่ะมีเงินเหล่านั้นจริงๆแล้วเอาไว้คนช่วยคิดว่าเอาเงินยอดนี่ไปทําอะไรเถียงกันจนตายมันมีข้อยุติไม่ได้หรอก แต่ว่า น, นั่นคือขนบธรรมเนียมประเพณีคือเศษรษฐกิจคือสังคมคือสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นชาติมันมีเศษรษฐกิจอยู่แต่เราเลิกตรงตรงนี้เราญาติพี่น้องเรานี่เป็นแสนแสนตายหมดเลยที่หากินกับกระบวนการพวงหรีดดอกไม้ทุบเชียร์เนีเ่ยเราจะเห็นว่ามีชีวิตที่อยู่กั บ, ก, บกับเรื่องเราเนี่ยเป็นล้านๆในในบ้านในเมืองแล้วคือมันต้องคิดต่อไปอย่างนั้นยังคิดต่อให้ได้พระพุทธเจ้านั้นทนท่า น, น, นรับผิดชอบของท่าน ท่านแสดงเขตให้พิจารณาเอาไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเต็มที่ภาษีห้าเต็มที่มันไม่ต้องเต็มที่หรอกเอาสักข้อก็ได้เอาสักข้อก่อนก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเกณฑ์ตรงนี้วางไว้ห้าข้อถือว่าเบญจเวณ น, นวีรัตมันก็เหมือนกับเรือรั่วห้ารูถ้าคุณอุดหมดในเรือมันไม่รั่วแต่ถ้าคุณอดรูเดียวมันก็ยังอีก4ี่รูก็น้ำยังเข้ามานะฮะ เพรเวรมาอาจจะเกิดคุณไม่ฆ่าเขาแต่เวรอาจจะเกิดจากการลักทรัพย์เขาเกิอจากผิดตุ้กเมียเขาเกิดจากการโกหกเขามันก็เกิดแต่ถ้าคุณปิดหมดได้มันก็เปบญจเวรนะครับคือปิดได้ทั้งห้าทางก็ทรงแสดงในรูปของเปบญจเวรในวิสัตถ์แล้วก็หมายความว่าเราประนีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นเล็งผลเลิศจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้พูดแบบครูพูดแบบพระพูดแบบนักศึกษานี่พูดไม่รับผิดชอบอ่ะ มันต้องรับผิดชอบได้ผู้เจ้านั้นท่านรับผิดชอบกองท่านแสดงอะไรนี่ว่าคนปฏิบัติตามแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสมัครใจเป็นศรัทธายอมรับน้ำถือแล้วปฏิบัติไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้หมดอย่างเด็กนักศึกษาบางทีก็ถามว่า น, นี่ถ้าคนบรรลุอรหัตเป็นพระหารกันหมดแล้วจะทำยังไงบอคุณอย่ายุ่งนะมนไม่มีหรอกถามปัญหายุ่งยุ่ง เป็นไปไม่ได้คือไปตั้งสมมติฐานนี่มันเป็นไปแม้สมมุติธรรมไรเราหรอือไปยุ่งอะไรมันสมมุติเราเป็นจริงๆเนี่ยไปยุ่งอะไรมันมันก็โลกมันก็เป็นโลกอ่ะมันเดือดร้อนอะไรกับโลกมันดาวเยอะแยะบางที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตคุณเดือดร้อนอะไรกับมันอันเนี้คือคือเราไปมองไม่ไม่ไม่ได้มองในแง่ของความจริงว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนั้นนะ ทีนี้ศีลตรงตรงตรงสามข้อหลังเนี่ยให้ท่านลองสังเกตว่าเป็นอุปการะท่านนั่นเองคือเพื่อตัดกระแสะกระตุน้นเร่งร้าวกามกุณเพราะเรารักษาศีลข้อที่สามเป็นอภัรมันตัดกระแสะตัวตัวกระตุ้นนั่นั่นเองตัวกระตุน้นวิการละโพชนาก็งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการวิการเนี่ย วิการสีเนี่ยคือวิการหลังเที่ยงแต่เราอย่าไปพูดวิการทั้งหมดวิการบางอย่างในกลางคืนนะฮะวิการบางอย่างกลางคืนเช็นห้ามพระเข้าไปในบ้านยามวิการเวลาชาวบ้านก็รับประทานอาหารกันในยามวิการอันนั้นคือกลางคืนหมายถึงกลางคืนไม่ให้ไปแทรกแซงในสกุลเดี๋ยวก็มังบริโภคอาหารอู่งางกลางคืนเนี่ยก็ห้ามพระไป เราเป็นวร้ระยงคนนี้บนไปนะแต่ถ้าจะไปเองนะเขาห้ามไปทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าอาหารมากเนี่ยมันเพิ่มถีนามิทะมันเพิ่มกามมชันมันศีลมชักจะเป็นพรหมจันทร์ระดับสูงขึ้นมันไปเพิ่มไปไปเพิ่มตัวถีนามิทะคือง่วงนอนนะฮะแล้วก็ไปเพิ่มตัวกามมชันเมื่ออาหารมันย่อยแล้วมันก็เพิ่มกามมชัน มันก็มีปัญหาในสินข้ออัพรัมในการรักษาสินข้ออัพรัมนัดจะมีตะวาดิตะนะฮะวิสูกรัศนาเราจะเห็นว่าการพอนรำขับร้องประพมรุนซีตลอดถึงดูนะฮะดูการเล่นต่งตางๆหรือการทำเองพวกนี้มันก็กระตุ้น แต่ว่าการแสดงในสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าเราจะเห็นมันกระตุ้นจริงๆไงนะฮะพวกดับรามัแขกอะไรแต่ไรต่างๆมันก็ตุ้นจริงๆกันแะแต่ของเรามันก็ไม่เห็นกระตุ้นอะไรดูราโกงลํามเกียร์เน่ย น, นนะยิงกระตุ้นอะไรหนักใจแทนเนี่ยทไมาเสื้อมันน่าจะร้อนจังนะก็ดูแล้วเราก็หนักใจแทนะนี่ยแต่สรุปว่ามันเป็นตัวกระตุน้นอาจจะไม่กระตุน้นตรงนั้นอาจจะกระตุ้นที่เสียงร้องอาจจะ ก, กระตุ้นที่อะไรแต่ไรเนี่ย โดยการตัดกระแสเฉยๆแต่ว่าเราอย่าลืมว่าในแง่ของศีลเป็นอย่างนี้แต่ภาษารีบุตรเนี่ท่านกลับใจออกบวชเพราะดูมรศสบนะเห็นไหมภาษารีบุตรเนี่ท่านออกบวชเพราะดูมรรสบเพราะงั้นตรงนี้ท่านถึงบอกว่าถ้าไปดูในแง่ของธรรมะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เรียกว่าเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะ เพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะเหมือนคาถาทั้งหลายในคาถาในปรบารีนะที่จริงมันก็คือเพลงนั่นแหละลองร้องดูสิอ่ะเสวนาจะบาลานังเอามาร้องเป็นเพลงดูแตเป็นเพลงนะฮะเป็นเพลงเท่านั้นแหละแต่ว่าธรรมะเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะไม่ได้ว่าอไรแต่ว่าธรรมะใช้แนวเพลงขับเนี่ยไม่ได้ใช่ไหะใช้แนวเพลงขับไม่ได้เอาธรรมะไปร้องเพลงเล่นเนี่ยไม่ได้ก็ห้าม เรื่องภัยเราบางทีมันก็เรื่องเจิงเรื่งแมวไปเยอะนะอย่างสวดคฤหัสอะไรแต่จริงไม่ถูกอาิปไหนแต่มันไม่รู้จะทํำยังไงกับชาวบ้านชาวบ้านพูดยาก น, นะบทแกจะเอาขึ้นมานี่เราเราไม่รู้จะว่ายังไงเขาบอกว่าโยมจะแหะ่พระเลยจะแหละเลยเมาเหล้าจะตายจะแหวหน้าขึ้นขอยตัวเองเดินไม่ตรงตรงไงเอาไปเฉียงกันทะเลาะกันนี่ อยู่ต่างจังหวัดโอ้มันปวดหัวกันเรื่องนี่นนยนะพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วงานทุกงานในแกเมาทุกงานเลยเมื่อวานในนังเกตพวกกลุ่มสอสออีสานตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกร้องให้คนทางภาคอีสานมีสิทธิ์พิเศษที่จะหุงร้มเล่าเองได้ดูดูมันคิดแต่คนหนึ่งก็คิดจะเปิดคาเฟ่ไปถึงตีสาม อีก ห, หนึ่งก็คิดจะต้มเล้าเถื่อน้อะไรก็ไม่รู้มันคิดยังไงกันไม่รู้ก็แปลกอ่ะมันคิดแปลกแปลกแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าก็เกาะกลุ่มได้ก็ทําได้นะก็เกาะกลุ่มได้ก็ทําได้เพราะเป็นอะไเพราะระบบประชาธิปไตยเขาซึ่งไม่มีหัวไม่มีหางอะไรเลยประชาธิปไตยเนี่ยลูกมอบกันขึ้นจะเอาอย่างงั้นจะเอาอย่างนี้แล้วในสุดก็จะยอม บ้านเมืองมันมั น, ม, นมันจะยุ่งยากขึ้นทุกวันเนี่ยนะฮะจะแก้ปัญหายากเึ้นทุกวันตรงนี้เป็นการตัดกระแสเราไม่ไปหามันใช่ไมเราไปไม่ไหามันทีนี้ถ้ามันมาเนี่ยเราเดินไปเราอยู่เนี่ยยางสมัยอัตมาเป็นเนรเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเป็นเนรเนี่ยนะโอ้อาจารย์นี่เคร่งจังเลยที่ว เวลาวัดบ้านนอกเนี่ยมันมีการแข่งโนราแข่งนังตะลุงนะะห้ามพระเนนออกจากกุฏินะโ อ, โ ห, โ, อโหเกือบตายเลยนะอยู่กันอยู่งั้นนะฮะถ้านังตะลุงก็ยังชั่วกลางกลางคืนมันก็องอ้อมไปที่มืดๆได้ถ้ามโนราแล้วก็จบเลยไปไหนไม่ได้เลยไม่ให้ไปเลยส่งอาหารถข้าไปให้ฉันอยู่ในห้องเหมือนก็ติดคุกอนะ ทุกทรมานไม่ใช่เล่นแต่ว่าเราศึกษาไปเนี่ยโอ้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าขนาดนั้นนะนะแต่นั้นก็เรารู้ทีหลังนะนะฮะเราไปอ่านวินัยเขารู้ทีหลังโอ้มันไม่ได้เคร่งขนาดนี้หรอกเคร่งขนาดนี้ก็เสร็จไปแล้วคือหมายความถ้าเราเดินไปอะไรอะไรเราไม่สนใจจะไปดูมันก็ไปได้นะไปได้หรือแม้แต่จะเกิดดูเกิดได้ยินได้คิดในแง่ธรรมะมันก็ได้เพราะอะไรเพราะว่า เป็นเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมะเดีคิดในแง่ธรรมะมองในแง่ก็ธรรมะแล้วก็มีเยอะเป็นพระเดียบคุคคลที่ท่านบรรลุโดยเรื่องเหล่านี้คือท่านมองอีกมุมหนึง่งมันก็อยู่ที่ใครมองอย่างที่เคยบอกว่าธรรมะนี่มันจะมีสองระดับระดับหนึ่งนี่พูดอะไรเป็นอะไรขีดไว้เลยบุญที่ภาวะเราไม่มีไม่มากพอไม่สามารถวินิจฉัยอะไรได้ต่ระดับหนึ่งเนเขาเรียกว่า คิดอย่างไงอะไรก็ช่างมันวุฒิภาวะสูงอิสติปัญญาสูงคําด่าก็คิดเป็นธรรมะได้คนศบตายก็คิดเป็นธรรมะได้เห็นคนป่วยก็คิดเป็นธรรมะได้มันได้ธรรมะได้ธรรมะทั้งหมดนั่นคือแนววิปัสสนาเห็นไหมแนวแนวสมถะจะบีบอารมณ์เลยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้ออย่างนั้นเพราะว่าเรายังไม่แข็งแกรงเพราะบแนวแนววิปัสสนาไม่มีอะไรเปิดการศึกษาเสรี อะไรก็ได้เธอคิดยังไงก็แล้วกัน่เธอคิดยังไงก็แล้วกันอะไรก็ตามให้เราสังเกตเราบางทีนี่เรียนเรียนจากศพเรียนจากอะไรเรียนจากเยอะๆเรียนจากระบำมก็มีนะคิดพิจารณาถึงสังขารร่างกายต้องแก่ต้องดับเห็นไหมปนานรูปปนานธาเนี่ยโอ้เจ้าก็ให้เรียนจากสาวสวยตะโกนจับปั๊บขึ้นมาภาพเริ่มเปลี่ยนเห็นนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะ ให้คิดยังไงแต่นั้นพระพุทธเจ้ากำหนดทิศทางการคิดนะฮะหมายความว่าให้เป็นรูปสาวสวยเื่อนแล้วก็เปลี่ยนโดยพุท ธ, ธานุภาพเองให้เห็นแล้วก็จากสิบ6้าสบกจนร2อยี่สิบนี่พรวดเดียวนะลงมาเป็นเวลาเป็นนาทีแต่นั่นเองแสดงถึงการเกิดดับที่เร็วเพราะงั้นถ้าปัญญาเรามากพอเนี่ยทุกอย่างเราใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้แนวศีลคุณจะเห็นว่าแนวอะไรเป็นยังไง อันี้ไม่ไม่จะคิดยังไงไม่ได้นะฮะบีดอย่างเงี้ยทําอย่างงี้ยธรสมถะเองธรรมะเองก็อย่างนั้นแต่พอถึงวิปัสนาไม่วิปัสนาเสรีเลยคุณคิดอะไรก็ได้ก้อนเมฆ ก, ก็ได้กระแสะน้ําก็ได้ใบไม้ ก, ก็ได้สัตว์กัดกันก็ได้อะไรก็ได้นะ้ําไหลหยด น, น้ําฝนน ะ, ะพยับแบบคิดเป็นเป็นเป็นธรรมะได้เหมดืดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ ประการต่อไปมาลา ก, กันทะเราจะเห็นว่าตรงนี้เราประดับเองนะฮะประดับเองบิเลปันะรูปไล้ของของหอมแต่ไม่ใช่ทำโสมโสมนะบางทีก็เกินไปน เ, เกินไปต้องสวมเสื้อขาวนุ่งผ้าดําทำโสมโสมมันมากไปในขนาดนั้นนะนะสีนชาวบ้านสีนชาวบ้านแต่งตัวปกติแต่งตัวปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละ อย่าลืมมนางวิสาขามหาบาติการรษาศีลบูชดใส่เครื่องประดับระดามหาปราสาสราคายี่สิบเจ็ดโกดต้องนึกตัวอย่างอย่างนู้นว่าไอ้ก็ทําแต่งอย่างเงี้ยมันแต่งธรรมดาแต่งธรรมดาคนน่ะแต่งแบบคนน่ะไม่ใช่ทาโสมโสมรักษาศีลแปดทําทำแ่โสมเลยอายุยังไม่ไม่เท่าไรดูแก่ตั้งหกเจ็ดสิบไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้น มันศีลชาวบ้านเขาเรียกอาคารยะวินยัยศีลธรรมดานะฮะแต่งธรมธรมดาธรรมดาขบันนางมารีกาเทีวีปุณิธานักษาศีลบทสดทางนั้นท่านก็แต่งราดภูสีตาภรเต็มนะฮะไม่ได้ผิดอะไรอะแต่ว่ามันในมุ่งมุ่งประกวดประขันมุ่งความสวยงามมุ่งบำรุงบำเรอไม่ใช่มุ่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปกติภาพ แต่งธรรมดาธรรมดาเขาไม่ได้ว่าหรอกแต่เนี้ยคือคือว่าปัญหาสำคัญเนี่ยอยู่ตรงไหนวาเราเรียนนี่ต่ อ, ต, อต่อกันมาแล้วเราไม่ไปตรวจดูที่ตัวเนื้อหาจริงๆอย่างเนี้ยแม้แต่การประเคเนี่ยนะถ้าพระบาลีจริงๆเนี่ยพเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรอกพระทีหลังมาเตะกันเฉยๆอ่ะประเคนเนี่ยแปลว่าให้ให้ บอกให้วางให้โยนให้ชหี้ให้ไปไปให้เรีว่าให้เท่านั้นเองเนี่ยของเขาให้ให้ยังไงก็ได้เวลาเราให้เนี่ยเราประเคนทุกอย่างเมัาก็เปล่ามันก็เหมือนกับชาวบ้านที่เขาให้กันเพียงแต่ว่าพระอย่าไปฉันของที่เขาไม่ได้ให้เดี๋ยวก็หาว่าขาโมยอย่างเท่านั้นเองไม่มีอะไรมัเกิดมาจากพระขโมยไปฉันอาหารเส้นผีเขา ปฐมเหตุจริงๆเนะี่ยคือว่าเขาไปเส้นผีไว้แล้วพระท่านอยู่ป่านะ่ะเขาเส้นผีแล้วเจ้าภาพเขาก็ไปพระก็มาถึงก็ฉันเลยว่าเป็นลูกน้องผีเลยเจ้จาเจ้าภาพเขโกโรธสิคือวางไว้เสร็จใหม่ๆท่านมาถึงฉันได้แล้วผียังไม่ได้กินแล้วแย่งผีกินเลียวก็ฟ้องพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าก็บัญญัติว่าทีหลังจะไปทําอย่างนั้นแต่ไม่ได้ปฏิเสธต ร, ตรงนั้นตรงนั้นถ้าเขาตว่าก็ได้ก็ให้ก็ได้ เขาบอกว่าเส้นผีไปแล้วเวลาท่า น, นั้นท่านนี้พระคุณเจ้าเอาไปฉันได้ก็ได้นะแต่ที่ประเค้นเนี่ยมันมาทีหลังมันมาทีหลังมันไม่มีหรอวินัยเนี่ยไม่ได้มีหรอกอย่ต้องประเค้นข้ามหัดถบาทของไอะไรทั้งวามันก็ถือจะเป็นจารีตถือจะเป็นจารีตแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปดูว่าจริงๆริงในพระเจ้าว่าไว้ยังไงเลยทํามันก็รุงรงัง แต่ว่าไม่ปฏิบัติไม่ได้หรอกทุกวันเนี่ยเสียกระแสสังคมเลยเป็นเป็นความรู้สึกของสังคมไปแล้วสังคมมาต้องทำอย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกไปแต่ว่ามันมันไม่ใช่เจตนาลบเจตนาลบจริงๆคือให้ให้ต่นนั้นเด็กอุจาศยนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่นั่งนะที่นอนที่นอนอุจาศยานะมหาศยนาอุจาศยนะก็คือที่นอนสูง มหาสยานาก็คือที่นอนใหญ่สยานาคือที่นอนมหาก็คือใหญ่เนี่ยนะที่นอนใหญ่กับที่นอนสูงไม่ใช่ที่นั่งเวรีนี้เราแร่งยังที่นั่งพระนั่งบนยัดนุ่นไม่ได้แล้ยไม่มีวินัยไม่มีที่ไหนว่าวเองทันั้นเนี่ยมันไม่มีบาลีอุจจารยณะมหาสยานาเวรมณีนะฮะเว้นการนอนเบินที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ภายในมีนุ่นหรือสำลีนั้นใส่กันเองนะี่ยมันไม่มีในบาลีหรอกไม่มีอใส่ึ้นมาเองเครื่องลาดวิจิตงดงามอะไรแต่ไรก็ใส่ึ้นมาเองแต่นั้นนหละเวลาประกาศอุบัติมันไม่มีในตัวบาลีหรอกบาลีเขาไม่ได้ว่าหลึกซึ้งขนาดนั้นอันนี้ก็คือตัวกระตุน้นตัวราวให้เกิดการมราคะคินในด้านต่างๆเพื่อป้องกันศีลข้อที่สามเนี่ยไม่ให้มีปัญหาฉันก็บรรัญดาลข้อนี้เอาไว้ แล้วท่านทั้งหลายลองสังเกตจริงมันไม่ก้าข้อนะฮะมันไม่ใช่แปดข้อเพราะเขาเอานัจยาคีกับมาลามาพะหนวกเป็นข้อเดียวกันสุจจาแยากต่างหากสินสิบก็ขึ้นชาตรูนะจับทองและเงินได้ยินดีทองและเงินเท่านั้นเด็กชาวบ้านมันต้องพกพาสิ่งเหล่านี้แต่งง้น ก, ก็ก็ไม่บัญญัติไว้อุโบสถจึงเป็นมรคาแห่งสวรรค์ นะที่เทวดาท่านมาตรวจสอบดูนะใครรักษาบูสุบ้านใครเลี้ยงดูมารดาบิดดาใครประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ใครอนุเคราะห์สมณพราหมณนะใครรักษาบสูบสุดบูสุอะไรก็ได้นะฮะบูสุอะไรก็ได้แต่ต้อฝึกเอามาว่าก็น่าฝึกแนวปฏิชาคาระนี่น่าฝึกคือสามวันดังนั้นเองปฏิหาริยะนานไปหน่อยมันตั้งปากไงแม่ตั้งสี่ห้าวัน แล้วก็นพัฒนาก็นานนะฮะสามเดือนที่จริงยังยังนึกว่าแนวตรงนี้นอกจากแนวปัญหาเศรษฐกิจส่วนรวมแล้วเนี่ยนะฮะส่วนวของของคนแต่ละครอบครัวแล้วเนะี่ยมันเป็นเศรษฐกิจโดยรวมเลยมายความสมมติว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเอาสักสามสิบล้านนะ่นะสาสิบเอาแล้วยี่สิบห้าล้านน ะ, นะ่งดกินข้าวยี่สิบห้ามือ้อ 25ล้านมือในหนึ่งสัปดาห์ร้อยล้านไม่ใช่เดือนหนึ่งนะฮะร้อยล้านมือโอ้โ ห, โหมหาศาลเลยกี่ปันมือเนี่ยนะเอาไปช่วยรวันดาได้เยอะเลยนะเอาไปช่วยพวกเอธิโอเปียซูดา น, นกางดานได้เยอะเลยนะเพร่ะมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุบายวิธีเป็นอุบายวิธีที่ ท, ที่ฉลาดมาก นอกจากจะเป็นการปฏิบัติพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเรามองในแง่สังคมช่วยสังคมเยอะเลยช่วยสังคมได้เยอะแล้วการที่เอาคนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มบาสุกกลุ่มพระภิกษุสามเณรตอนนี้เนี่ยเป็นงดข้าวเลยนะเป็นงดข้าวเลยสมมติ ว, มว่าพระเราประมาณตักงสามสี่แสนเน่ยนะขึ้นมาตึกกินข้าวคลึบขึ้นอีกมื้อนึ่โอ้โมันน่าดูเมกันนะมันน่าดูเหมือกันนะแสนมื้อนะฮะสี่แสนมือนะนม้อ สี่แสนมือสี่แสนมือก็ทุกวันเลยนะอันนี้อันนี้มันทุกวันก็แสดงมันสิ้นเปลืองกันอีกเยอะนะเข้าของแพงกันอีกเยอะแล้วขาดแคลนอีกเยอะเลยอันนี้ก็คือก็คือการการแฝงในเสียสละช่วยเหลือสังคมในรูปแฝงเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องจ่ายเลยกลายเป็นไรายได้ ที่ช่วยเหลือก็คือเกียรติสังคมเพราะกะนันศีลศีลศีลถ้าเรามองให้ดีแล้วจะมีประโยชน์มากมายในหลายระดับด้วยกันวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้เวลาพิธีนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านคือ